หมอก 19 ความเดิมตอนที่แล้วเดิมตอนที่แล้วเข้ม ที่ส่งเพื่อเกลียกล่อมให้แทนคุณยอมเป็นพวกให้ได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังหมอกสลายที่ปลายฟ้าเสาะ จะเรียนสายกับใครคะรอเดี๋ยวนะคะเรียนสายกับใครคะรอเดี๋ยวนะคะเปียกแต่วันพูดค่ะดูพี่หมอซิ น้องมีโอ๋พี่นึกว่าโทษทีเอ่อนึกว่าครูใหญ่ของพี่เอ่ย รับ ลูกชาติกับข้าวรังนี้เป็นยังไงบ้างครับอ่ะครูใหญ่ๆนะนี่ บอกให้เรียกหนูกังหนูกังทำไมไม่ยอม ผมเป็นคนคิกแปกว่าใครแล้วถ้าลูกอืมแล้วถ้าครูแทน ครับรู้ ทำไมนายมาสุมหัวกับคนอย่างเสี่ยจิวได้วะแทน คุณกัญชลิกาหรือว่าคุณคิมจูยังไงเล่าอย่าบอกว่า ไม่ต้องหัวรอกทันคนอย่างฉันนายแทนคุณคนเนี้ยอืมเมื่อมันเป็นบัญชีลับ หาทันนายต้องหาหลักฐานสําคัญ อย่างนี้จะใดตาปะหลักครั้งอย่าตัวแสมะเซเสือกําลัง กิมจูน่ะไม่รู้เรื่องอะไรมันน่าอ่อนๆไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันก็ พูดถึงหมอแล้วเจ็บใจแหวันพยายามแต่งล่อหวัง มันไม่น่าจะมีแค่นี้ไม่และเรายังหาคำตอบไม่ได้เท่านั้น ตรงทางจ่ายให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดนาย รู้สึกว่าแกอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ กำลังจะนุ่งชาท่านหน่อยก็ขับรถเข้ามาพอดีเลย พอเห็นครูผม อย่ากันไว้ถ้าแม่เข้าไปได้ไหมหรือมีเรื่องกับเค้าก็อาจ ก็แม่ว่ามีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจางอนเค้าอีกนานคนเราเนี่ยไหนๆหรือเปล่าคะลบคิดว่า แต่มีความมั่นคงแค่ไหนเรารู้จักเขาจนพอจะเชื่อใจได้ดูว่าคนๆนั้นเราก็ยิ่งควรจะเชื่อมั่นในตัวเขาและยิ่งเชื่อมั่นในตัวเราใคร ไชยเชื่อมั่นๆ ปัญหาตรงไหนหมอดาวันต์โกรธเราเรื่องอะไรเมื่อวาน ถ้ามันจะดียังไงจะพูดกันเฉพาะเรื่องที่เป็นงานเป็นอืมเสียงก็ยังไม่ดีขึ้น ไม่รู้ก็จะบอกอยู่เดี๋ยวเนี้ยใจเย็นๆหน่อยสิ ค่ะแล้วไงคะอุ๊ยถามสั้นจูเลยผมก็เลยอยากจะ แล้วก็...ติดผมไม่ยอมแยกไปไหน ก็ติดผมไม่ยอมแยกไปๆนะ ถ้าดีหน่อยก็ไข่ตุนเท่านั้นค่ะดีหน่อยก็ไข่ต๋นโตๆๆๆๆอืม หมอหน้ากลมๆรีๆบ้า <laughs> ไปแล้วเหรอจีหวั่นไปตั้งแต่ยังไม่ค่ําค่ํา พ่อตายังมีปัญหาอะไรงานที่ตั้งใจไว้อาจจะ และทวีคูณมากขึ้นเรื่อยไปเราจะสู้กับใครก็ได้เท่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆไปเราจะสู้ๆ ฟังคนที่เรารู้ว่าเป็นใครๆโอ้โหแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ทันสมัยที่เราแม่เป็น รณรงค์เปลี่ยนใจให้บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์จำกัดมหาชนผู้เลิกยาเสพติดถ้าเขา ผู้แสดงบีดังต่อไปนี้อาธรภาธิพัฒนะทินดาเกษรินทร์เปรมกมลโชติกาเศรษฐีอิราบุญญฤทธิ์วรการ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนะฐานอาสาควบคุมเสียง